ตอนที่สิหกเหลือทางถอยให้คนอื่นบ้างผู้อํานวยการเกา่าเกาช้างเหอจัดหมวกตํารวจให้เขาที่ก่อนจะเผยให้เห็นฟันขาวเรียงรายนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอคุณพวกคุณที่นี่ช่วงนี้มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่ามีคนก่อความวุ่นวายในตลาดพวกเราเลยมาดักซุ่มดูไอพวกจิโ ก, โกพวกนี้ฉลาดเป็นกรดแยกกันทํางานกระจายตัวไปทั่วนึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้เพราะพวกคุณแท้ๆถึงได้ล่อพวกมันออกมาได้หมดเกาช้างเหอหัวเราะ จะว่าไปพวกคุณก็ถือว่ามีความชอบนะเนี่ยแม่หนูคนนี้ช่างมีความยุติธรรมจริงๆรที่สาวที่ยืนต่อแถวเ อ, อ่ยชมคนอื่นๆก็พากันประสานเสียงชื่นชมตามซูมานอินยิ้มเจริญเธอแค่กังวลว่าจะซื้อเนื้อไม่ได้เท่านั้นเองคุณอาตํารวจครับผมจะแจ้งความเจ้าวัยรุ่นที่แซงคิวคนนั้นถูกตารวจขิ้วปีกไว้ยังคงกลุมเอโวยวายจะร้องเรียนใหย่ผู้หญิงคนนั้นเป็นนักฆ่าชัดๆเธอถีบผมถีบเจ็บมากเลยนะเหอะสมน้ำหน้า พอมีตำรวจอยู่พี่สาวคนเดิมก็ใจกล้าขึ้นมาทันทีฉันเป็นพยานให้ได้ไอจิโกนี่เป็นฝ่ายเริ่มลงมือก่อนคนอื่นๆก็พากันสนับสนุนเจ้าจิโกคนนั้นจึงเงียบปากลงทันทีสหายซูมานอินนี่เมื่อเรื่องนี้มีสาเหตุมาจากคุณคงต้องรบกวนให้คุณไปที่สถานีตำรวจกับผมสักรอบแล้วละ่ะเออผู้อำนวยการเกาคาฉันขอซื้อเนื้อให้เสร็จก่อนค่อยไปได้ไหมคะซูมานอินออนวอนเนื้อนี่สำคัญกับฉันมากเลยนะคะ ใช่ใช่เป็นเกี่ยวพันถึงการอยู่รอดของพวกเราแม่สามีลูกสะใภ้เลยนะชินเสียวย่าช่วยเสริมจากด้านข้างเธอไม่อยากเสียแรงที่ตื่นแต่เช้าฟรีๆเกรงว่าจะไม่ได้เอาอย่างนี้ก็ชังเฮิลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกวักมือเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาผมจะทิ้งเพื่อนร่วม ง, งานไว้สองคนช่วยพวกคุณต่อแถวซื้อเนื้อส่วนพวกคุณตามผมกลับไปทําบันทึกประจําวันได้เลยคะซูมานอินถามว่าได้ไหมแต่ตัวเธอกลับขยับหลีกทางให้ตํารวจเข้ามาแทนที่เรียบร้อยแล้ว เกงเหอเห็นดังนั้นก็ยิ้มออกมาบางๆรับใช้ประชาชนมีอะไรที่ทำไม่ได้ละ่ะซูมานอิงขี่จักรยานพาฉิมเสี่ยเวเย่เว่มาที่สถานีตำรวจครั้งนี้พวกเธอคุ้นเคยกับขั้นตอนเป็นอย่างดีตำรวจหลายคนในสถานีก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากับพวกเธอแล้วถึงขั้นรื่น้ำมาให้พวกเธอดื่มพวกจิโ ก, โกที่ก่อเรื่องพอเห็นท่าทางแบบนั้นก็รู้ตัวทันทีว่าดูเหมือนจะไปหาเรื่องคนที่ไม่ควรหาเรื่องเข้าให้แล้วความโอหังมาลายหายไปสิ้นยอมรับผิดแต่โดยดีเฮ้วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือไง ยอมรับผิดง่ายๆแบบนี้เลยเหรอตํารวจเสี่ยวหวังถือสมุดบันทึกเดินเข้าไปหาหัวหน้ากลุ่มจิกโก้ตามกฎระเบียบรักษาความสงบพวกแกต้องถูกกักตัวสิบห้าวันแต่ว่าเสี่ยหวังชี้ไปทางซูมานอินทางนั้นเขาช่วยพูดขอความเมตตาให้บอกว่าพวกแกยังเด็กแถมสำนึกผิดได้ดีเลยแนะนําให้ลงโทษสถานเบาจิกโก้คนนั้นอึ้งไปคนที่ซ้อมเขาคือเธอคนที่ขอความเมตตาให้ก็คือเธอหมายความว่าไงตบหัวแล้วรูปหลังนั้นเหรอแต่ต้องยอมรับว่า หลังที่ถูกรูปนี้มันช่างรู้สึกดีจริงๆเอละเซ็นชื่อสเสดียวให้ผู้อํานวยการกรมาอบรมสั่งสอนสักหน่อยแล้วค่อยไปไม่ต้องถูกกักตัวจริงๆหรือครับถ้าไมอยากจะมาพักร้อนที่นี่หรือไงเขาหยิบสมุดบันทึกยื่นไปข้างหน้ารีบเซ็นเข้ามือเทียไม่ได้ทําเผื่อพวกแกรอกนะจิกโกคนนั้นมองสู่มานอินด้วยสายตาซาบซึ้งสู่มานอินเหลือมองแวบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาอีกเพื่อนรักของแม่สามีวันนี้ทำไมเธอถึงใจดีเป็นพิเศษละ่ะ ชินเสี่ยวเยเวดึงแขนเพื่อกระซิบถามเบาๆซูมานอินถอนหายใจเหลือทางถอยให้คนอื่นบ้างวันหน้าจะได้มองหน้ากันติดขณะที่ทั้งสองกําลังคุยซุบซิบกันเกาฉางเหอก็เดินถือเนื้อหมูสองชิ้นเข้ามาช่วยซื้อมาให้สามจินไม่รู้ว่าพอไหมเกาฉางเหอใช้คูปองเนื้อของตัวเองประกอบกับทางร้านจําหน่ายอาหารเสริมเห็นว่าเป็นตํารวจต้องการซื้อจึงยอมให้ปริมาณเกินมาหนึ่งส่วนเป็นกรณีพิเศษ เกาชังเหอนึกว่าทั้งสองจะขอบคุณอย่างยกใหญ่แต่ผลคือเอาแค่สามจินเองหรือค้าไม่พอหรอกคะ่ะฉินเสี่ยวเย่าทำปากยื่นใบหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังซูมานอินเห็นเกาชังเหอนทำหน้าเจริญจึงแอบเหยียบเท้าฉินเสี่ยวเย่เวเบาๆผู้อํานวยการเกาข้เสี่ยวเย่เวล้อเล่นนะคะซูมานอินยื่นมือไปรับเนื้อหมูมาพลางยิ้มขอบคุณถ้าพวกเราซื้อเองอย่างมากก็ได้แค่จินเดียวลาบากคุณตํารวจทั้งสองคนแล้วที่ช่วยซื้อเนื้อมาให้พวกเราตั้งเงยอะขนาดนี้ เอาอย่างนี้หมคยขมือเที่ยงนี้ฉันเล้งเองพวกเราไปห่อเกี๊ยวกินกันที่บ้านดีไหมคะซูมานอินเพียงแค่เอ่ยชวนตามมารยาทเท่านั้นแต่ใครจะไปคิดว่าเกาฉางเหอจะตอบตกลงจริงๆได้สิครับไม่ได้กินเกี๊ยวมานานแล้วถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนสหายซูมานอินแล้วละ่ะรอยยิ้มของซูมานอินแข็งค้างอยู่บนใบหน้าพลางคิดในใจว่าผู้อานวยการกัคนนี้เป็นคนซื่อตรงขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ใช่แค่ซูมานอิงที่อึ้งไปแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆที่อยู่แถวนั้นก็อึ้งไปตามๆกันพวกเขาได้ยินอะไรกันเนี่ยผู้อํานวยการเก่าผู้ไม่เคยแต่ต้องแม้แต่เข็มเล่มเดียวหรือได้เส้นเดียวของประชาชนกลับเต็มใจรับคําเชิญของสหายหญิงแถมยินจะไปกินเกี๊ยวที่บ้านเขาอีกหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆทีนี้จะทํำยังไงล่ะคะชินเสี่ยวเย่เวพึมพำเสียงเบาหนูถนัดต่กินห่อไม่เป็นหรอกมุมปากของสูมานอิงกระตุกครูเสียงต่ํากลับไปว่าทําไม่พูดก็ไม่มีใครเขาหาว่าเป็นไม่หรอก เกาชางเหอมองท่าทางแปลกแปกของทั้งสองคนแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างรู้ทันล้อเล่นนะครับบ่ายนี้พวกเรายังมีภารกิจคงไม่มีเวลาไปรบกวนหรอกเมื่อได้ยินเกาช้างเหอพูดเช่นนั้นซูม่านอินจึงรอบถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่คิดไม่ถึงว่าชินเสี่ยวเยเว่ที่อยู่ข้างๆจะหาเรื่องอีกถ้าอย่างนั้นไว้วันหลังนะครผู้อํานวยการก็ไว้วันหลังต้องพาท้ายในสถานีไปเที่ยวที่บ้านให้ได้นะคะ ซูมานอิงกฤีร้องอยู่ในใจเมื่อกี้สมองเธอแค่ลัดวงจรไปชั่วขณะแต่ทำไมชินเสียวยาวย่าถึงได้บ้าจี้ตามไปด้วยล่ะเนี่ยตกลงตามนั้นครับก็ชังเหอตอบกับพลางปั้นหัวเราะวันหลังผมไปแน่ซูมานอินพยักหน้าตอบรับว่าค่ะแล้วกล่าวลาคนอื่นๆก่อนจะรีบพาชินเสียวเยเว่เดินจากไปอย่างรวดเร็วเสียวหวังที่เพิ่งจดบันทึกเสร็จเดินเข้ามาหามองตามหลังซูมานอินที่เดินจากไปแล้วเ อ, อ, เยอ่ยย่อกลางเหอ ผู้อำนวยการครับบ่ายนี้เรามีภารกิจอะไรหรือทําไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะอยากรู้เหรอเก้าชังเฮรี่ตามองเขาพลางยิ้มกริ่มมือข้างหนึ่งพาดลงบนไหล่ของอีกฝ่ายมานี่สิเดี๋ยวผมบอกให้ภารกิจของนายวันนี้ก็คือมาฝึกซ้อมต่อสู้กับผมเสี่ยวหวังรู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีทันทีผู้อำนวยการครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วจริงๆหลังจากซูม่านอินและซุนจิ๋วหลิงนําเนื้อกลับมาถึงบ้านทั้งสองก็วางเนื้อลงบนเขียงแล้วเริ่มยืนเมอ เน้อนี้เราจะทํำยังไงกันดีคะชินเสี่ยวเยว่ามอย่างงุนงงหรือว่าเราจะหั่นแล้วเอาไปผัดน้ํามันเลยดีไหมซูมานอินสายหน้านี่เป็นเนื้อชิ้นแรกสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจของเราจะทําเสียของไม่ได้ซูมานอินหยิบมีดทาครัวขึ้นมาเริ่มหั่นเนื้อตามความทรงจําที่มีหลายเรื่องก็เป็นแบบนี้ตอนไม่ทําก็ดูเหมือนยากแต่พอได้ลงมือทําจริงๆร่างกายมันก็ขยับไปเองโดยอัตโนมัติไม่นานนักหมูสามชั้นแผ่นหนาๆก็ถูกหั่นจนเสร็จแต่ขั้นตอนต่อไปทั้งสองคนกลับต้องเจอกับปัญญหหาให่ จะจุดเตายังไงจะเคี่ยนน้าตาลยังไงทั้งคู่ต่างมืดแด้านหรือว่าเราไปตามซุนจิวหลิงมาดีไหมคะชินเสี่ยวเย่าขมวดคิ้วเสนอแนะเนื้อนี่ราคาแพงอย่าปล่อยให้พวกเราทําพังเลยคะ่ะซูมานอินเห็นด้วยว่านานๆที่ชินเสี่ยวเย่เวจะเสนอความคิดที่ถูกต้องพอเธอพยักหน้าชินเสี่ยวเย่าก็รีบไปเข็นจักรยานออกไปราวกับหนีตายเพียงครู่เดียวชินเสี่ยวเย่าก็พามาทั้งผู้ใหญ่และเด็กคุณแม่พวกคุณซื้อเนื้อมาจริงๆด้วย เมื่อเห็นหมูสามชั้นสวยๆบนเขียงซุนจิวหลิงก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแถมยังซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยไม่เยอะหรอกจะนี่แค่เอามาทดลองดูถ้าสำเร็จยังต้องซื้อมากกว่านี้อีกซูมานอินอธิบายพร้อมรอยยิ้มจิวหลิงแม่กับเสี่ยวเยเว่ไม่ค่อยถนัดทำอาหารเท่าไหร่เลยต้องรบกวนเจ้าแล้วละ่ะคุณแม่พูดอะไรอย่างนั้นหละข้คนกันเองทั้งนั้นซุนจิวหลิงไม่คิดว่าแม่สามีคนใหม่จะพูดจากเกรงใจขนาดนี้ คุณแม่คะแล้วเนื้อที่ว่านั่นรสชาติเป็นยังไงเหรอคะซูมานอิลังเลเล็กน้อยมันจะนุ่มละมุนลิ้นอืมมันแต่ไม่เลี่ยนเนื้อแดงก็นุ่มไม่เหนียวคล้ายๆกับหมูตุนน้ำแดงแต่ก็เหมือนหมูพัดโลด้วยหอมมากเลยล่ะซูมานอินรู้สึกว่าตัวเองอธิบายได้ไม่ค่อยดีนักแต่คิดไม่ถึงว่าซุนจิลิงผู้ซื้อสัตว์จะพยักหน้าตอบรับอย่างกระตือรือรน้นคุณแม่ขนูจะลองดูคะ่ะ